Oh. การทำอะไรบางอย่างเช่นถ้าจะทำงานศึกษาค้นคว้าเอาไปทำในเมืองในกรุงเทพหรือว่าเอาไปทำใน Office, ออฟฟิศหรือที่บ้านอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแต่ถ้าพูดถึงการฝึกจิตแล้วเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเกื้อกูล หรือว่าเหมาะกับการทำความเพียรทางจิตได้เพราะว่าสถานที่ก็ร่มรนะื่นมีต้นไม้มีพันไม้มีป่าซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยน้อมนำใจให้เกิดความสงบได้ไม่ยากอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ ไม่เค่อยมีสิ่งเร้านะที่จะมาดึงใจให้ออกไปนอกตัวตถ้าอยู่ในเมืองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นให้ใจเนี่ยส่งออกไปข้างนอกมากมายแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมามีทั้งความสนุกความตื่นเต้นตั้เกิดว่า ไปรับรู้ดูหนังฟังเพลงหรือได้คุยนะกับเรื่องราวที่น่าสนใจกับเพื่อนๆหรือแม่งั่นก็เกิดความหงุดหงิดคุณมัวเพิ่งล้วนแต่ทำให้ลืมเนื้อลืมตัวใธรรมชาติเนี่ ที่เป็นต้นไม้หรือที่ทางเพื่อศาสนาใช่ไครว่าเป็นที่รมมีนนเนี่ยคือร่มรื่นเนี่ยนะมันสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการที่เรานะมาดูจิตดูใจของตัวเองแล้วก็ฝึกจิตของเรานะให้เจริญงอกงาม ในเรื่องการฝึกจิตเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งรวมไปถึงการพัฒนาตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญมากนะลำพังความตั้งใจอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอมีความตั้งใจที่จะภาวนา แต่ว่ามันจำเป็นต้องมีตัวช่วยหรือว่าสิ่งอำนวยส่งเสริมด้วยอย่าว่าตายเลยแล้วแม้กระทั่งการออกกำลังกายเนี่ยใหม่ๆเนี่ยถ้าทำคนเดียวนี่มันก็ทำได้ไม่นานแม้ว่าจะมีความตั้งใจเห็นประโยชน์เห็นคุณค่า แต่ว่าต้องไม่รู้ว่ามันก็เป็นการทวนกระแสกิเลสถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยแวดล้อมคอยช่วยคอยสนับสนุนมันก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องอย่างเช่นมีเพื่อนร่วมวิ่งร่วมออกกำลังกายนะหรือว่ามีหมู่มาเต้นแอโรบิกด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนะสามารถจะ ออกกำลังกายได้ต่อเนื่องเรื่องการฝึกจิตก็เหมือนกันนะมันต้องอาศัยตัวช่วยนะสิ่งสนับสนุนหลายอย่างสวัยพุทธกาลนะมีคราวหนึ่งน ะ, ะพระสามรูปเนี่ยตกลงกันที่จะไปทำความเพียรในป่าแห่งหนึ่ง ก็คือพระ อ, อนุรุทธะพระนันทิยะพระกิมพิละทั้งสามท่านนี่ภายหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์นะวันหนึ่งเนี่ยครที่ท่านกำลังทงความเพียรอยู่พระเจ้าก็เสด็จมาหามาเยี่ยมแล้วก็ไต่าถามก็ไม่เชิญไต่าถามทุกสุขนะแต่รวมไปถึงเรื่องของอการปฏิบัติ ด, ด้วย และคำถามหรือคำทักของพระพุทธองค์ก็น่าสนใจนะทีแรกนะพระองค์ก็ถามว่าเนี่ยยังสบายดีหรือพออยู่ได้ไหมบินาบาบไม่ลำบากหรือนะจากนั้นพระองค์ก็ถามต่อไปว่าเนี่ยพวกเธอยัง ชื่นชมกันพร้อมเพียงกันไม่วิวาดกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับ น, น้ำนมมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยนไปได้วยความรักหรือเปล่าจากนั้นก็ถามว่าเนี่ยพวกเธอยังตั้งอยู่ในความไม่ประมาททาความเพียรอุทิศทั้งกายและใจไม้มและประการสุดท้ายจึงค่อยถามว่าเนี่ยพวกเธอได้บรรลุคุณวิเศษอย่างไรบ้าง น, น่าสังเกตว่าพระองค์ถามเรื่องผลของการปฏิบัตินี่เป็นลำดับท้ายนะที่พระองค์ถามเรื่องการบิณฑบาตเนี่ยอาหารเนี่ยแล้วก็ความพร้อมเพรียงกันเนี่ยเพราะว่าสองสิ่งสองประการเนี่ยมันมีความสมคาคัญต่อการปฏิบัตินะแล้วจะมีความตั้งใจ แต่ว่าถ้าบินาบาดลำบากอาหารขาดแคลนในการที่จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ยากแต่นอกจากอาหารแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกประการหนึก็คือความสัมพันธ์นในหมู่ศาสตรธรรมิกอันนี้ก็เรยเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันนะ ไม่วิวาดกันว่าเกือคือว่ามีความสมัคีใกันไม่มีความเมตตากรุณาเ อ, อื้อเฟื้อเกื้อกูลกันหรือเปล่าหลังจากนั้นพระองค์จึงถามเรื่องว่ามีความเพียรในการปฏิบัติไหมเพราะว่าสองประการนี้มันจะไปส่งเสริมให้การปฏิบัติเนี่ยมันเกิดผลเกิดความก้าวหน้าถ้าไม่มีสองอย่างนี้นะแม้จะมีความตั้งใจการปฏิบัติก็อาจจะ ลุมร่มดอนดอนที่จริงนอกจากอาหารหรือว่าบินทะบาทแล้วเนี่ยรวมทั้งความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันแล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่พระองค์ไม่ได้กล่าวแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันนะก็คือความร่มรื่นนะความร่มรื่นของสถานที่เป็นถิ่นรมณีอันนี้เพราะว่า พระในสายวัตการเนี่ยนะเวลาท่านจะไปทำความเพียรที่ไหนเนี่ยท่านก็จะเลือกเนี่ยเจาะจงในสถานที่ที่ร่มรื่นร่มรื่นเนี่ยเป็นลมันนี้เนี่ยนะท่านสมเจพระุทธโฆษ า, าจารย์ท่านก็สรุปด้วยคำสั้นๆนะว่าเนี่ยน้ำอุ ด, ดมร่มรืม่นจะปรึก ษ, ษาหรือว่า มีแมกไม้และสายน้ำไม่ใช่แค่พระภิกษุคณะที่เลือกที่โรมณีเป็นที่ทำความเพียรแม้กระทั่งพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทรงเลือกที่รมณีเป็นที่ที่ทำความเพียรอยูเ่เหมือนกันนะจึงตัดสินพระไทยนะปฏิบัติอยู่ที่ริมแม่น้ำเนรัญชาราที่ตาบดอุลเวลาเสนานิคม เพราะว่าพระองค์เห็นว่าเนี่ยมีภัยสนร่มรื่นน่าชื่นบานมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำไหลยเย็นน่าชื่นใจอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่รับรู้กันนะในในหมู่พระสงฆ์เลยนะว่าเนี่ยถ้าจะทาความเพียรนะว่าต้องหาที่ที่เหมาะซึ่งคือเป็นที่โรแมนนีแล้วก็บินทบาทไม่ขาดแคลนและที่สงคัญอย่างนึนก็คือว่าหมู่คณนะ นะเป็นกรลยะนานมิตรนะเอือเฟือเกืเก้อกูลกันอันนี้ก็จึงเป็นเหตุว่านะสังฆะเนี่ยหรือว่าสงฆ์เนี่ยนะเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยความสมัคคีความพร้อ ม, พอมเพรียงกันเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเกื้อกูลให้การปฏิบัติอาจเป็นไปด้วยดีอันนี้คำตอบของพ่อนุรุท ธ, ธานี่ก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะตอนที่พระองค์ถามว่าเนี่ย พวกเธอพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเข้ากันได้เหมือนกับ น, น้ำกับ น, น้ำนมมองกันด้วยสายตาหรือในตาที่เปลี่ยนได้วยความรักหรือไม่พระนุ์ก็ตอบนะว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยข้าพระองค์เนี่ยจะเก็บจิตของตัวเองเอาไว้จะปฏิบัติตามอำนาจจิตของผู้อื่นก็คือของหมู่คณะ แล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยแม้กายของข้าพระองค์เนี่ยจะแตกต่างกันแต่ว่าจิตเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นอันเดียวกันน้่เป็นคาพูดที่ไพเราะ ก, กินใจมากแล้วก็มีความหมายอันหมายความว่าการที่หมู่คณะจะพร้อมเพรียงกันได้นี่มันไม่ใช่ไปเรีกร้องจากใครนะไม่ได้เลียร้องจากคนรือว่าเนี่ยจะต้อง ชื่นชมกันไม่วิวาดกันนะมีความเอเื้อเฟือเกืกูลกันมันต้องเริ่มตจากตัวเองนะเริ่มต้จากตัวเองเนี่ยอย่างที่พระนุรสท่านใช้คว่าเนี่ยจะเก็บจิตของตัวไว้แล้วก็จะปฏิบัติตามหน้าจิตของผู้อื่นก็คือไม่เอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่เอาความเห็นของมูคณะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแม้กายจะแตกต่างกันแต่ว่าจิตก็เป็นอันเดียวกันไม่ได้เรียกร้องใครแต่ว่า เริ่มต้นที่ตัวเองเมื่อทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ยมันก็ได้สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลนะต่อการปฏิบัติที่นี่แะว่าจะอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่สมบูรณ์นะหรือว่ามีความพร้อมแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็มี ปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติของพวกเราไม่ใช่แค่สถานที่ที่ร่มรื่นนะแต่ว่าก็ยังมีอาหารที่แม้จะไม่ถึงกับอุดมนะแต่ว่าก็ไม่ขาดแคลนแต่ว่าเรื่องของความพร้อมเพลียงความส ม, มคัครใกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันทำ เ, นเดี๋ยวพระธนาราปฏิบัติตามคํากล่าวของพระอนุรทธะเนี่ยเช่ว่าเนี่ย จะเก็บจิตของตนเอาไว้ปฏิบัติตามหน้าจิตของผู้อื่นก็คือว่าไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะแต่ว่าเอาความเห็นของหมู่คณะเป็นใหญ่แล้วก็ให้ใจนี้เป็นอันเดียวกันมันก็ทำให้เกิดสิ่งรำล้ที่เกื้อกูลต่อกันปฏิบัติมากขึ้นที่นี่ก็เราต้องมาช่วยๆกันนะให้มันเป็นที่ที่เกื้อกูลต่อการทาความเพียรนะถึงแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจ นะที่จะปฏิบัติอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีตัวช่วยนะมันก็ทำให้การปฏิบัติของเรานี่ลำบากนะมันก็จะลุ่มลุนดอนๆหรือว่าติดขัดขึ้นมาจริงจริงการที่เราเนี่ยไม่ทำตามความเห็นของตัวเองแต่ว่าเอาความเห็นของส่วนรวมเป็นใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะมันเป็นการลดอัดตรา มันการเป็นการปิดโอกาสไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำเพื่อที่จะทำอะไรตามอำเภอใจและตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปที่นี่เราก็มาฝึกกันนะมาเรียนรู้กันเรื่องที่สำคัญเรื่องนึงคือเรื่องความรู้สึกตัว ทัวนี้เรามีความรู้เรื่องอื่นเยอะแล้วเรามีความรู้เรื่องสังคมเรื่องประเทศชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมบางคนก็รู้เรื่องวิทยาศาสตร์บางคนก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แต่ว่าสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความรู้ตัวหรือความรู้จึกตัวด้วยให้ความรู้ในเรื่องโลกในเรื่องสังคมเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่ แต่ก็อย่าทิ้งความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวให้ความรู้อย่างอื่นเนี่ยมันต้องอาศัยความคิดนะถึงจะกลายเป็นความรู้ได้ใช้ความคิดในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวจนกระทั่งมันถูกย่อยสรุปเป็นความรู้อย่างเช่นความรู้เรื่องโรคโควิดนะว่ามันทำให้เกิดความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นความรู้ได้เพราะว่าเรา ใช้ความคิดใคร่ครว น, นะว่าเออว่าเชื้อโควิดเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่ปอดแล้วเนี่ยมันทำให้ปอดถูกทำลายเนื้อเยื่อปอดเนี่ยเสียหายอันนี้มันต้องใช้ความคิดนะในการทำความเข้าใจหรืออาจจะใช้ความคิดเข้าใจเพิ่มเติมว่าเนี่ยที่ปอดเสียหายเพราะว่าภูมิคุ้มกาัน ร, ร่างกายนี่มันถูกกระตุ้นถูกยั่วยุให้ลุมถล่ม เชื้อไวรัสตัวนี้จกนกระทั่งปอดหรือเนื้อเยื่อที่มันอาศัยอยู่เนี่ยถูกทำลายไปด้วยก็เลยทำให้เกิดความเจ็บป่วยหายใจติดขัดหายใจไม่ออกเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาว่าเนี่ยเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะมันเป็นตัวการทำให้เกิดความเจ็บป่วยอันนี้คือความรู้นะแต่เป็นความรู้ที่ผ่านการใช้ความคิดพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลต่างๆมาประกอบแต่ความรู้ตัวนี้ มันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันแค่ใช้จะเรียกว่าความรู้สึกหรือใช้ใจล้วนๆเลยก็ได้ความรู้ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันใช้ใจอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้ความคิดแต่พอบอกว่าไม่ใช้ความคิดนี่คนหลายคนก็จะงงเลยนะเพราะว่าเราคิดเรามีความเข้าใจจะทาจะรู้อะไรต้องใช้ความคิด แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะประสบการณ์ในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวัาเนี่ยเรารู้โดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเยอะนะเช่นรู้ว่าน้ําตาลนี่หวานรู้ว่าพริกนี่เผ็ดเนี่ยรู้ว่าก๋วยเตี๋ยนี่เค็มเนี่ยนะรสชาติเนี่ยเรารู้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันรู้เองนะมันใช้ใจรู้นะความรู้ตัวความสึกตัวก็เหมือนกันนะ มันไม่ต้องใช้ความคิด ม, มันไม่ต้องผ่านความคิดอันนี้บางคนสงสัยเราจะเราจะรู้จักความรู้ตัวหรือเราจะสำไพรความรู้สึกตัวได้อย่างไรหลายคนมาปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะบางทีก็งงนะเฮ้มันความรู้ตัวของสึกตัวเป็นยังไงพยายามควานหาแต่ยิ่งควานหายิ่งไม่เจอนะ ท, ท, ทั้งที่มันอยู่กับเรา อยู่แล้วหรือมันเกิดขึ้นกับเราอยู่เนืองเนืองเวลาเราใจลอยนะคิดนอนคิดนี่นะแล้วมีคนเรียกเราเนี่ยพอมีคนเรียกเราเนี่ยเราจะสังเกตนะมันเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าเราสังเกตเนี่ยไอความคิดที่มันพาเราล่องลอยเนี่ยมันก็จะชะ ง, งักเลยและเราก็เกิดได้สติขึ้นมาไอภาวะตรงนี้นะที่ เราเรียกวความรู้สึกตัวพอมีเพื่อนเรียกเราแล้วเราก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเลยจําภาวะนี้ได้ไหมเวลาใจลอยแล้วมีคนเรียกหรือมีคนมาแตะมือเราสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความรู้ตัวรู้สึกตัวแต่บางคนก็อาจจะมากกว่านั้นอาจจะเกิดตกใจนะอันนั้นไม่ใช่แนละ้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเรียกเราแล้วเรา เกิดได้สติขึ้นมาเนี่ยเอชือที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยหรือเกิดขึ้นในในภาวะนั้นเนี่ยมันคือความรู้สึกตัวจดจําสภาวะนั้นเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆนะในขณะที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะใจลอยลอยไปสักระยะนึงเนี่ยอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินจงกรมอยู่กาลังสร้างจังหวะอยู่ตรงนั้นแหละนะคือ ความรู้สึกตัวตรงนั่นแหละที่เราเกิดความรู้ตัวขึ้นมาหรือเนื้อ ร, รู้ตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยใจยที่มันลอยมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราเกิดความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆนะในแต่ละวันแต่มันไม่ต่อเนื่องแต่การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันช่วยทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นที่จริงการปฏิบัติเนี่ยที่นี่เนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะที่จริงเนี่ยเราจะปฏิบัติให้ได้ผลดีเนี่ยมันต้องทำด้วยความรึกสายสบายๆทำใจสบายๆในขณ ะ, ะที่เดินจงกรมนที่สร้างจังหวะแต่บางคนก็อยากจะลึกคานในใจว่ามันจะมันจะสบายได้ไงนะเพราะว่ากว่าจะมาเดินจงกรมมันต้องเขี่ยวเขยนตนเองเพราะว่ามันอยากจะนั่งเล่นนอนเล่นอยากจะจับ หรือเล่นโทรศัพท์มือถือแค่พาตัวเองเนี่มาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะ น, นี่มันก็ต้องเขี่ยวเข็นตนเองแล้วมันไม่สบายหรอกล้วยิ่งบอกว่าเนี่ยมาเดินจงกรมสร้างจังหวะ น, นี่ยมันต้องเดินหรือต้องทำนานๆหน่อยนะไม่ใช่แค่5นาที10นาทีอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถ้าทําได้ทั้งวันยิ่งดีแล้วแบบนี้จะทำให้จะทำใจสบายได้ไงทาด้วยใจสบายสบายได้ไง เพราะความกรจขอ ง, ขจงหลายคนพอทำด้วยใจสบายนันก็คือทาตามอารมณ์นะก็คือทาได้ประเดียวประดาวที่จริงเนี่ยมันก็ถูกแล้วนะที่หลายต้องเขียวเขียนตนเองให้ทำต่อเนื่องนะไม่ใช่ทำแค่5นาทีสิบนาทีแล้วก็ลอยหรือแลกไปไปคุยกับเพื่อนนะไปเล่นโทรศัพท์มือถือนะไปตอบไลน์มันก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้ต่อเนื่อง แต่ในะะที่เราเดินเนี่ยเราเดินด้วยใจที่สบายไม่พยายามบังคับจิตแต่บางคนเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยอดไม่ได้ที่จะทำด้วยความหน้าดำเําเคร่งนะ<ม>เพราะว่ามันอยากจะได้นะอยากจะได้ความรู้สึกตัวอยากจะได้ความสงบก็เลยอดไม่ได้นะที่จะไปบังคับจิต ให้มันหยุดคิดหรือพยายามไปตะปบความคิดเนี่ยพอเห็นความคิดหรือพอรู้ว่าคิดขึ้นมานี่มันเปนเบรคความคิดอย่างรุนแรงเลยการทำแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นการทำด้วยจิตที่คิดจะเอาคิดจะคิดจะได้นะอยากจะเอาอยากจะได้ความสงบอยากจะชนะความฟุ้ง ทำใจสบายคือว่าทำโดยไม่คาดหวังจะเรียกว่าวางความอยากวางความคาดหวังลงอ น, นุญาตให้ใจมันฟุงนนนฟ้งได้นะอนุญาตให้ใจมันฟุ้งได้อนุญาตให้ใจมันหลงได้เพราะว่าความหลงเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปพยายามที่จะบังคับจิตไม่ให้หลงเพราะมันทำไม่ได้เพราะจิตมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตา แล้ก็ต้องปรับความเข้าใจนะว่าหลงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายนะหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเนี่ยความหลงที่มันไม่ใช่ผิดนะมันเป็นความรู้หรือผู้ใหญ่ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะรู้ก็คือรู้ควรจะรู้ว่าเราหลงแล้วหลงเป็นสิ่งที่ควรจะรู้มันเป็นสิ่งดีนะถ้ารู้เนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเคยว่าเนี่ยความหลงเนี่ยเป็นสิ่งดีถ้ารู้ เพราะมันทําให้ความรู้สึกตัวเพิ่มพูนมากขึ้นความหลงเนี่ยเราต้องเข้าใจสมัยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดมไม่เป็นสิ่งที่เลวการที่พระเจ้าเนี่ยหรือเจ้าชายสุดทัศนะเนี่ยหลงเข้าไปในทางสุดโต่งเนี่ยที่ชื่อว่าอัตตกิรบาธรนุโยกหรือการทรมานตนเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันให้ความรู้กับพระองค์ว่านี่ไม่ใช่ทางนะ พระองค์จะไม่มีทางค้นพบทางสายกลางได้เลยนะถ้าไม่รู้จักทางสุดตรงและจะรู้จักทางสุดตรงนั้ก็เพราะเคยถลาเข้าไปในทางนั้นมาแล้วเป็นความหลงแต่ไม่ใช่เป็นความผิดนะหรือไม่ใช่เป็นความพลาดเพราะว่ามันเป็นความรู้นะที่นำไปสู่การค้นพบทางสายกลางให้เวลาเราหลงเนี่ยนะมันไม่ผิดหรอกนะมันคือความรู้หรือมันเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ เมื่อหลงก็รู้ว่าหลงนะมันก็ทำให้เรามีสติเรามีความรู้ตัวมากขึ้นแล้วถ้าว่าหลงบ่อยๆหลงบ่อยๆนะแล้วก็กลับมารู้บ่อยๆกลับมาเรื่อยๆนะความรู้มันก็จะความรู้ตัวก็จะมากขึ้นนะรู้ในที่นี้เนี่ยคือรู้ว่าหลงมันก็นําไปสู่ความรู้ตัวแล้วเวลาบ่อยเดินสบายๆเนี่ย ถ, ถ้าจว่าไปมันก็ไม่ต่าจากการเดินเล่นนะ เพียงแต่การเดินเล่นเนี่ยนะเวลาเราเดินเล่นเราก็ไม่ได้บังคับจิตอะไรเลยเพียงแต่ต่างกับตรงที่ว่าเวลา เ, าเดินโยกบล์เนี่ยเรามีความตั้งใจว่าจะให้มารู้สึกตัวจะให้มารู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวความตั้งใจนะที่จะให้ใจเนี่ยมามารู้กายมารู้ว่ากำลังเดินอยู่มารู้สึกขณะที่กำลังเดินเนี่ยด้วยความตั้งใจเนี่ย มันคือสิ่งที่แตกต่างจากเวลาเราเดินเล่นในสวนนะเพราะเวลาเดินเล่นในสวนเราไม่มีความตั้งใจตรงนี้แต่นอกนั้นเนี่ยก็เหมือนกันนะยกเว้นแต่ว่าเดินจงกรมเราเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เดินยาวแต่ว่าก็คือการเดินด้วยใจที่สบายแต่เพราะเรามีความตั้งใจนะว่าเมื่อเดินก็ให้รู้สึกว่าเดินเนี่ยมันเป็นตัวช่วยนะเวลาใจเราลอยเนี่ยนะ จุดหนึ่งเนี่ยมันจะชะ ง, งักและมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะมันมีความตั้งใจเป็นเบื้องต้นหรือเป็นเจตนาเอาเวลาเราเดินเดินเล่นในสวนแล้วเราไม่เคยมีความรู้สึกตัวเพราะเราไม่มีความตั้งใจที่จะมารู้เนอรู้ตัวที่จะรู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวเวลาเท้าก้าวเดินแต่พอมาเดินจงกรมแม้เราจะเดินด้วยใจที่สบายเนี่ยแต่พอ ม, มีความตั้งใจแบบเนี้ ว่ามันเผลอไปสักพักมันก็จะรู้ตัวขึ้นมาคิดไปเจ็ดแปเรื่องก็รู้ตัวขึ้นมาต่อมาเนี่ยก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นคิดไปหกเจ็เรื่องก็รู้ตัวแล้วใจมันกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวกลับมารู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวไอ้ความตั้งใจเนี่ยมาช่วยทำให้ความรู้ตัวเกิดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแม้ว่าเราจะเดินด้วยใจที่สบายไม่ได้คิดจะบังคับจิตมันจะฟุ้งก็ช่างมันนะ แต่ว่ามันจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นแต่ทางตรงข้ามกุฏิเปี ย, ายาบังคับจิตเนี่ยนะมันก็ทําให้หลงเข้าไปในความเครียดมากขึ้นหลงเข้าไปในความอยากมากขึ้นซึ่งก็กลายเป็นกุปสรกด์หรือทําให้เนิรนช้าแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะการที่คนเราจะเดินด้วยใจที่สบายแต่ว่าเดินทั้งวันหรือว่าเดินเป็นชั่วโมงๆเนี่ยเพราะอย่างที่บอกหลายคนเนี่ยเวลาใจเดินด้วยใจที่สบายคือว่าเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวๆก็เลิกแล้ว การที่เราจะเชื่อมระหว่างการเดินด้วยใจที่สบายกับการเดินด้วยความความเพียรนะวิริยะอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งขัดแย้งกันแต่ว่าที่จริงแล้วมันไปด้วยกันได้แล้วนี่ก็ศิละปะการปฏิบัติธรรมนะคือการเชื่อมสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งกันให้ให้เป็นอันเดียวกันให้มาให้ประสานงานเชื่อมโยงกันเดินจริงจังด้วยใจที่สบาย เหมือนที่หลวงพ่อเทียนพ่อเนี่ยเดินให้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆเนี่ยถ้าเราเชื่อมสองอย่างนี้ได้เนี่ยให้การปฏิบัติมันก็จะเกิดผลได้ผลที่ว่านี้ไม่ใช่ความสงบนะแต่มืคอความรู้สึกตัวแต่ความสงบก็จะเป็นผลที่ตามมา อ, อย่าจนิพุทธรณีนะออ ก, ก์กรครบ